ธรรมบทแปลเรื่องที่8ปเรื่องบุรุษผู้ข่าโจรมีคราวแดงภาคที่สเรื่องที่หนึ่งของวรรคที่8สหัสวรรควรรณน า, นาพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปราล บ, บุรุษผู้ฆ่าโจรมีคราวแดงตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าสหัสสมปิ เจวาจาเป็นต้นดังได้สดับมาโจร499คนทำกรรมมีการปล้นชาวบ้านเป็นต้นสำเร็จความเป็นอยู่แล้วครั้งนั้นบุรุษผู้หนึ่งมีตาเหลือกเหลืองมีคราวแดงไปยังสำนักของโจรเหล่านั้นกล่าวว่าแม้เราจะเป็นอยู่กับพวกท่านทีนั้น พวกโจรแสดงบรุษนั้นแก่หัวหน้าโจรแล้วกล่าวว่าชายแม่นี้ปรารถนาจะอยู่ในสำนักของพวกเราครั้งนั้นหัวหน้าโจรแลดูบรุษนั้นแล้วคิดว่าบรุษผู้นี้กักขลันักสามารถในการที่จะตัดนมของแม่หรือนำเลือดในลำคอของพ่อออกแล้วกินได้จึงห้ามว่ากิจคือการอยู่ ในสำนักของพวกเราสำหรับบุรุษนี้ไม่มีบุรุษนั้นแม้ถูกหัวหน้าโจรห้ามแล้วอย่างนั้นก็ไม่ไปบำรุงสิทธิ์คนหนึ่งของหัวหน้าโจร น, นั้นนั่นแลให้พอใจแล้วโจร น, นั้นพาบุรุษนั้นเข้าไปหาหัวหน้าโจรแล้วอ้อนวอนว่านายผู้นี้เป็นคนดีมีอุปการะแก่พวกเราขอท่านจงสงเคราะห์เขาเถิด ให้หัวหน้าโจนรับไปแล้วภายหลังวันหนึ่งพวกชาวเมืองร่วมกันกับพวกราชบรุษจับโจนเหล่านั้นได้จึงนำไปสู่สานักของพวกอมาร์ผู้วินิจฉัยทั้งหลายพวกอมาร์สั่งบังคับการตัดศรีราะของโจนเหล่านั้นด้วยขวานลำดับนั้นพวกชาวเมืองปรึกษากันว่าใครหนอแหลจะฆ่าโจนเหล่านี้สแสวงหาอยู่ ไม่เห็นใครๆผู้ปรารถนาเพื่อจะฆ่าโจรเหล่านั้นจึงพูดกับหัวหน้าโจรว่าท่านฆ่าโจรเหล่านี้แล้วจกได้ทั้งชีวิตทั้งความนับถือทีเดียวท่านจงฆ่าโจรเหล่านั้นแม้หัวหน้าโจร น, นั้นก็ไม่ปรารถนาจะฆ่าเพราะความที่พวกโจร น, นั้นอาศัยตนอยู่แล้วพวกชาวเมืองถามโจร499คน โดยอุบายนั้นแม้โจรทั้งหมดก็ไม่ปรารถนาแล้วพวกชาวเมืองถามนายตำพระทาธิกะในวงเล็บคราวแดงผู้มีตาเหลือกเหลืองนั้นภายหลังโจรทั้งหมดนายตำพระทาธิกะนั้นรับคำว่าดีละแล้วฆ่าโจร น, นั้นทั้งหมดได้ทั้งชีวิตทั้งความนับถือแล้ว พวกชาวเมืองนําโจร500คนมาแล้วแต่ทิศ ท, ทักษินแห่งเมืองแล้วแสดงแก่พวกอาหมัดโดยอุบายนั้นเมื่อพวกอาหมัดนั้นสั่งบังคับให้ตัดศรีรษะโจรเหล่านั้นจึงถามตั้งแต่หัวหน้าโจรเป็นต้นไปไม่เห็นใครผู้ปรารถนาจะฆ่าจึงถามว่าในวันก่อนบุรุษหนึ่งฆ่าโจร500ร้คนแล้วบุรุษนั่น อยู่ที่ไหนหนอแลเมือ่อชนทั้งหลายตอบว่าพวกข้าพเจ้าเห็นเขาแล้วในที่ชื่อโ น, อน้นจึงให้เรียกเขามาแล้วสั่งบัคับว่าท่านจงฆ่าโจเหล่านี้ท่านจะได้ความนับถือนายตำพระทาธิกานั้นรับว่าดีละแล้วฆ่าโจเหล่านั้นได้ความนับถือแล้วครั้งนั้นชาวเมืองเหล่านั้นปรึกษากันว่า บุดคนนี้ดีพวกเราจะทาเขาให้เป็นคนฆ่าโจรประจำทีเดียวดังนี้แล้วจึงให้ตำแหน่งนั้นแก่เขากระทำความนับถือแล้วนายตามพราทาธิกะนั้นฆ่าโจรคราวละห0 0 5 0 0หซึ่งเขานำมาแต่ทิศปัจจิมบ้างทิศอุดรบ้างเขาฆ่าโจรสิ้น 2,000 คนซึ่งนำมาแต่ทิศทั้งสี่ ด้วยอุบายอย่างนั้นจำเดิมแต่นั้นเมื่อฆ่ามนุษย์ที่เขานำมานำมาคือคนหนึ่งสองคนทุกวันทุกวันได้กระทำโจราคาตกะกกรรมสิ้น55ปีในเวลาเป็นคนแก่เขาไม่อาจจะตัดศีรษะด้วยการฟันทีเดียวได้ต้องฟันสองถึงสามทีทำให้มนุษย์ทั้งหลายลำบากพวกชาวเมืองคิดกันว่า คนฆ่าโจรแม้อื่นจะเกิดขึ้นผู้นี้ทำ ม, มนุษย์ทั้งหลายให้ลำบากเหลือเกินจะต้องการอะไรด้วยผู้นี้จึงถอนตำแหน่งนั้นของเขาเสียนายตามพระธาทิกาณ์นั้นกระทำโจรราคาธกรรมอยู่ในการก่อนจึงไม่ได้กิจสี่อย่างนี้คือการนุ่งผ้าใหม่การดื่มยาคูเจือน้ำนมที่ปรุงด้วยเนยใสยใหม่การประดับ ดอกมะลิการทาด้วยของหอมในวันที่ถูกออกจากตําแหน่งเขากล่าวว่าท่านทั้งหลายจงต้มยาคูเจือ น, น้นํานมแก่เราแล้วให้คนถือผ้าพระเบียบดอกมะลิและเครื่องทาไปยังแม่น้ําอาบน้ําแล้วนุ่งผ้าใหม่ประดับดอกไม้มีตัวทาด้วยของหอมมาสู่เรือนนั่งแล้ว ทีนั้นชนทั้งหลายวางยาคูเจือน้ำนมที่ปรุงด้วยเนยใสยใหม่ข้างหน้าของเขาแล้วนำน้ำสำหรับล้างมือมาในขณะนั้นพระสารีบุตรเถระออกจากสมบัติพิจารณาทางเที่ยวพิกษาของตนว่าวันนี้เราควรไปที่ไหนหนอแล เห็นยาคูเจือน้ำนมในเรือนของนายตำพระธาธิกะนั้นจึงใครใ่ครวนว่าบุรุษนั้นจะทำการสงเคราะห์เราหรือหน่อแหลรู้ว่าเขาเห็นเราแล้วจะทำการสงเคราะห์แก่เราก็แลกุลบุตรนี้ครั้นกระทำแล้วจะได้สมบัติใหญ่จึงห่มจีวรถือบาท แสดงตนยืนอยู่ที่ประตูเรือนของนายตำพระาทิกะนั้นนั่นแหลนายตำพระาทิกะนั้นพอแลเห็นพระเถระก็มีจิตเลื่อมใสคิดว่าเรากระทําโจราคาตกรรมมานานเราฆ่ามนุษย์เสียเป็นอันมากบัดนี้ในเรือนของเราตกแต่งยาคูเจือน้ำนมไว้แลพระเถระก็มายืนอยู่ที่ประตูเรือนของเรา เราถวายทยธรรมแก่พระผู้เป็นเจ้าเสียในเวลานี้ก็ควรอั่งนี้แล้วจึงนํายาคูที่วางไว้ข้างหน้าออกไปแล้วเข้าไปหาพระเถระไหว้แล้วนิมนต์ให้นั่งภายในเรือนเกลียยาคูเจือน้ํานมลงในบาดราดเนยใสยใหม่แล้วได้ยืนพัดพระเถระอยู่ทีนั้นอัธยาศัยเพื่อดื่มยาคูเจือน้ํานม ได้มีกำลังเพราะเขาไม่เคยได้แล้วสิ้นเวลานานพระเถระรู้อัธยาสัยของนายตามพระทาธิกะนั้นจึงพูดกับเขาว่าอุบาสกท่านจงดื่มยาคูของต้นเถิดเขาให้พัดในมือแก่ผู้อื่นแล้วดื่มยาคูเองพระเถระพูดกับบุรุษผู้พัดว่าท่านจงไปจงพัดอุบาสกเถิด เขาอันบุรุษนั้นพัดอยู่ดื่มยาคูเต็มท้องแล้วมายืนพัดพระเถระได้รับบาดของพระเถระผู้กระทาพัฒกิจเสร็จแล้วพระเถระเริ่มอนุโมทนาเกตเขาแล้วเขาไม่อาจกระทาจิตของตนให้ไปตามธรรมเทศนาของพระเถระได้พระเถระสังเกตได้จึงถามว่าอุบาสกเหตุไร ท่านจึงไม่อาจทำจิตให้ไปตามทรมเทศนาได้ตัมพ า, าธาทิกะท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทำกรรมอยาบช้ามาสิ้นกาลนานมนุษย์เป็นอันมากถูกข้าพเจ้าฆ่าตายข้าพเจ้ามัวระลึกถึงกรรมของตนนั้นอยู่จึงไม่อาจทำจิตให้ไปตามเทสนาของพระผู้เป็นเจ้าได้พระเถระคิดว่า เราจักรลวงบรุษนั้นจึงพูดว่าก็ท่านได้กระทําตามชอบใจตนหรือถูกคนอื่นให้กระทําเล่าตามพระาธากะท่านผู้เจริญพระราชาให้ข้าพเจ้าทำพระเถระอุบาสกเมื่อเป็นเช่นนั้นอากุศลจะมีแก่ท่านได้อย่างไรหนออุบาสกเป็นคนท่าทึบถูกพระเถระกล่าวอย่างนั้น มีความสำคัญว่าอากุศลไม่มีแก่เราจึงกล่าวว่าท่านผู้เริญถ้ากระนั้นขอท่านจงกล่าวทาเถิดอุบาสกนั้นเมื่อพระเถ ร, ระทำอนุโมทนาอยู่มีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งฟังธรรมอยู่ยังขันติเป็นไปโดยอนุโลมแกอริยสัจภายในแห่งโสดาปติมัก ให้บังเกิดแล้วแม้พระเถระกระทาอนุโมทนาแล้วก็หลีกไปนางยักษินีตนหนึ่งมาแล้วด้วยเพศแห่งแม่โคโนมขวิดที่อกอุบาสกผู้ตามส่งพระเถระหน่อยหนึ่งแล้วกลับอยู่ให้ตายแล้วอุบาสกนั้นกระทากาละแล้วก็บังเกิดในทุสิตบุรี ภิกสุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าบุุษฆ่าโจรกระทำกรรมหยาบช้าสิ้นห้าหปีผ้นจากกรรมนั้นในวันนี้แลถาวายพิษาแก่พระเถ ร, ระในวันนี้เหมือนกันกระทำกาละก็ในวันนี้นั่นแหลเขาเบังเกิดในที่ไหนหนอแลพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าพิกสูตรทั้งหลายบัดนี้ พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยถ้อยคำอะไรเนาภพิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยถ้อยคาชื่อนี้จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรนั้นบังเกิดในดุสิตบุรีภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าพระเจ้าค่าพระองค์ตรัสอะไรบุุษนั้นข้ามนุษย์เท่านี้สิ้นเวลาเท่านี้ แล้วบังเกิดในวิมานดุสิตพระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายบุตนั้นได้กัลยาณมิตรผู้ใหญ่เขาได้ฟังธรรมของพระสารีบุตรยังอนุโลมยานให้บังเกิดแล้วเคลื่อนจากโลกนี้แล้วบังเกิดในวิมานดุสิตดังนี้แล้วตรัสพระคถานี้ว่าสุภาสิตังสุนิตตวานะ นักเรโจร์คาตะโกอนุโลมขั้นติงลัทธนะโมดติติทิวังคตติบุรุษผู้ฆ่าโจในเมืองฟังคำเป็นสุภาษิตแล้วได้อนุโลมขันติไปสู่เทวโลกชั้นไตรทิพย่อมบันเทิงใจพิกษุพระเจ้าค่า ธรรมดาอนุโมทนากถามีกำลังบรุษนั้นกระทำอกุศลกรรมไว้มากเขายังกุณวิเศษให้บังเกิดด้วยเหตุเท่านั้นอย่างไรได้พระสัสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอย่าถือประมาณเห็ุธรรมที่เราแสดงแล้วว่าน้อยหรือมากเพราะว่าแม้วาจาคำเดียวที่อาศัยประโยชน์ประเสริฐโดยแท้ เมื่อจะทรงสืบอนุสนทิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าสหัสสมปิเจวาจาอนัตถะปดสสันหิตาเอกังอัตถะปังสยโยยังสุตวาอุปสัมมตีติหากวาจาแม้ตั้งพันไม่ประกอบด้วยบทที่เป็นประโยชน์ไซ บทที่เป็นประโยชน์บทเดียวซึ่งบุคคลฟังแล้วสงบระงับได้ประเสริฐกว่าแก้อดัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสหัสสมา ป, ปิเป็นคำสำหรับกาหนดอธิบายว่าแม้หากว่าวาจาเขากาหนดด้วยพันอย่างนี้คือ1 0 0 0 2 0 0 0สไซก็วาจาเหล่านั้นไม่ประกอบด้วยบทที่เป็นประโยชน์ คือประกอบด้วยบททั้งหลายที่ไม่เป็นประโยชน์อันประกาศแต่เรื่องพันานาอากาศพันนาภูเขาและพันานาป่าเป็นต้นไม่แสดงนิพพานมีมากเพียงใดก็เป็นวาจาชั่วนั่นแหละเพียงนั้นสองบทว่าเอกังอัฏฐประดังความว่าส่วนบุคคลฟังบทใด ที่เป็นประโยชน์แม้บทเดียวเห็นป่านนี้ว่านี้กายนิสติไปในกายวิชาสเราตามบรรลุแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเรากระทำแล้วย่อมสงบประงับด้วยการสงบประงับกิเลสมีราคาเป็นต้นได้บทนั้นสำเร็จประโยชน์ประกอบด้วยนิพานคือแสดงขัน ธาตุอายตนะอินทร์พละชผู้ชงและสติปัฏฐานแม้บทเดียวยังประเสริฐกว่าโดยแท้ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องบุรุษผู้ค่าโจรมีคราวแดง